Thank you. น้ำตอนเย็นเรากวดน้ำนะโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำกรวดนะแต่ใช้ใจของเราเพื่อน้อมนึกถึงสิ่งดีงามที่ เ, อ, อ, เอเฟอเกอืเกอ้อกูลเราเมื่อเราลึกแล้วเราก็แท่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 แล้วก็แผ่ไปให้เขาเหมือนกันความปรารถนาดีไม่ควรจะเจาะจงแต่เฉพาะคนที่ทำดีกับเราคนที่ทำไม่ดีกับเรานะเราก็ทำดีกับเขาเหมือนกันนะอันนี้ไปวิสังชาวพุทธการทำดีกับคนที่เขาดีกับเรานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ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 โอกาสจะพึงมีแก่หมู่มานสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประฐุสรายทํำลายล้างความเพียรจมแล้วก็ตอนท้าวานะขอหมูมานอย่าได้ช่องนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องโอกาสจะพึงมีแก่หมูมารมันหมายความว่ายัางไงนะโอกาสจะมีแก่หมู่มานสิ้นทั้งหลายก็เลยนึงถึงว่า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 หรือว่าทำให้ชื่อของเราเนี่ยตกต่ำย่ำแย่เนี่ยมันคือการทำที่ใจของเราไม่ใช่เรียกร้องวิณฑบาตให้เหตุการณ์ร้ายๆอย่าได้เกิดกับเราไอ้คำว่าเป็นช่องปทุสรายเนี่ยนะทำลายล้างความเพียนจมเนี่ยไอ้ช่องนั้นอยู่ที่ไหนนะช่องนั้นมันถ้าจะมีก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละ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 ชอบความบันเทิงลร่ลงๆติดล่ำติดเล่าพอผ่าล่าเล่ า, พอพ า, ล า, เ, ลาเอาแว้บสักหน่อยอ้นี้ก็มาไม่ถึงเหมือนกันนะเรียกว่าความหลงเนี่ยมันครอบงำจิตจะถ้ามีสติดีเนี่ยจิตเราก็จะจดจ่ออยู่กับจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้ก็ทาให้มาถึงวัดป่าสุกโตได้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 และขณะเดียวกันเนี่ยเวลามันมีสิ่งยั่วยุนที่ทําให้ใจเราเขวะนะทํำท่าจะไม่ทําอย่างที่ตั้งใจไว้ทํำท่าจะไม่ทําอย่างที่เราคิดว่ามันดีพอมีสติปุ๊บนี่มันใจมันจะไม่เขวะนะใจมันจะตั้งมั่นมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเหตุผลคิดว่าอะไรดีใจมันก็จะน้อมตามนะไม่ใช่สมองว่าทางหนึ่งนะ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 ซึ่งเป็นทางแห่งความพ้นทุกเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทาให้พ้นทุกได้เนี่ยนะไอการที่เราจะเข้าใจลิสัตซีอย่างลึกซึ้งเนี่ยจนทำให้เห็นทางสู่ความพ้นทุกนีก็ต้องอาศัยสติมากทีเดียวนยนอกจากสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีสัมมาสตินี่ย ท, ท, ท, ที่จะช่วยเป็นเครื่องมือที่จะพาเราสู่ความพ้นทุก